Book 2 87เสยอดีตการของกริยาช่วยเราต้องรดน้ำดอกไม้ เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เราต้องล้างจานคุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่ามุยลดีเรคเงนบทา คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า Musejala a enghangs f o i betal. คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า Musejala a buta betal. ใครต้องการลาจากกัน Vi muse afskite niem. ใครต้องการกลับบ้านก่อน วีมุส t o ุกให้สตุ a อนใครต้องนั่งรถไฟว m มุ s h ิ e r die ja t r e i เ neem? เราไม่อยากอยู่นาน ons ส์เว n i ์นีล็องบไลเราไม่อยากดื่มอะไร Ons wou nie iets drink nie. เราไม่อยากรบกวนคุณ Ons wou jou nie planie. ตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์อักเวยนิด oproep maak. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่อักเวยเอทักซี่เบลที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน e ักเวย i อนด i ลั u ให้สตูบ ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูลดิฉันคิดว่าคุณอยากสั่งพิซ่า Ek het gedink, jy wou n pizza bestel.